สิกขาบทวิพังสี่ร้อยสคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคําว่าภิกษุมีอธิบายว่าที่ชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ชื่อว่าผู้พร้อมเพรียงคือสงฆ์ผู้มีสังวาสเสมอกันอยู่ในสีมาเดียวกัน คำว่าเพียนพยายามเพื่อทําลายคือสแสวงหาพวกรวมกันเป็นหมู่โดยมุ่งหมายว่าทําอย่างไรภิกษุเหล่านั้นจะแตกแยกกันแบ่งเป็นพวกคําว่าหรืออธิกรอันเป็นเหตุทําให้แตกแยกกันได้แก่เรื่องทําให้แตกกัน18อย่างคําว่าถือคือยึดเอาคําว่ายกย่องคือแสดงคําว่ายืนยันคือไม่กลับคํา คำว่าภิกษุนั้นได้แก่ภิกษุผู้ทํำลายสงฆ์คําว่าอันภิกษุทั้งหลายได้แก่อันภิกษุเหล่าอืน่นอธิบายว่าภิกษุผู้ได้เห็นผู้ได้ยินเพึงกล่าวตักเตือนภิกษุผู้เพียรพยายามเพื่อทําลายสงฆ์นั้นว่าท่านอย่าเพียรพยายามเพื่อทํำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพียงหรืออย่าถือยกย่องยืนยันอธิกรณ์อันเป็นเหตุทําให้แตกแยกกันท่านจงพร้อมเพียงกับสงฆ์เพราะสงฆ์ผู้พร้อมเพียง ปลองดองไม่วิวาดมีอุดเทศเดียวกันย่อมอยู่ภ้าสุพึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สองพึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สถ้าเธอสละได้นั่นเป็นการดีถ้าเธอไม่สลัดต้องอบัตรทุกกฎภิกษุทั้งหลายทราบแล้วไม่ว่ากล่าวตักเตือนต้องอบัตรทุกกฎภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงคุมตัวมาสู่ท่ามกลางสงว่ากล่าวตักเตือนว่าท่าน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 ถ้าเธอไม่สลัดต้องอบัตทุกกดสงพึงสวดสมรุภัทเธอวิธีสวดสมุรุภาทและกรรมาวาจาสวดสมุรุภาทภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมุรุภาทภิกษุนั้นอย่างนี้คือภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบว่า413ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า ภิกษุชื่อนี้เพียงพยายามเพื่อทำลายสงผู้พร้อมเพรียงภิกษุนั้นไม่ยอมสละเรื่องนั้นถ้าสงพร้อมแล้วก็พึงสวดสมุปพภิกษุชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นนี่เป็นบัญญัติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้เพียงพยายามเพื่อทำลายสง์ผู้พร้อมเพียงภิกษุนั้นไม่สละเรื่องนั้นสงสวดสมุปพเธอเพื่อให้สละเรื่องนั้น ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการสวดสมรรถภาสภิกษุชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นเสียถ้ารูปนั้นพึงนิ่งถ้ารูปใดไม่เห็นด้วยถ้ารูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สข้าพเจ้าก็กล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้เพียรพยายามเพื่อทําลายสง์ผู้พร้อมเพรียงภิกษุนั้นไม่สละเรื่องนั้น สงสวดสมรภาธเธอเพื่อให้สล ะ, ะเรื่องนั้นท้ารูปใดเห็นด้วยกับการสวดสมรภาธภิกษุชื่อนี้เพื่อให้สล ะ, ะเรื่องนั้นเสียท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยถ้ารูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุชื่อนี้สงสวดสมรภาธเพื่อให้สล ะ, ระเรื่องนั้นแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งเป็นมติอย่างนี้4ี จบบัญญัติต้องอบัตทุกกฎจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอบัตทุลใจจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอบัตสังฆาทิเศตเมื่อเธอต้องอบัตสังฆาธิเศตอบัตทุกกฎที่ต้องพระบัญญัติอบัตทุลใจที่ต้องเพราะกรรมวาจาสองครั้งย่อมระงับไปคําว่าเป็นสังฆาทิเศตความว่าสําหรับอาบัตนั้นสงเท่านั้นให้ปริวาทเพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าเป็นสังฆาทิเศษ